เจนนี่ผู้ซื้อสัตว์กาลครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าดิวเดลยังมีเพื่อนทั้งสามคนอาศัยอยู่โมนิกา้าเจนนี่และกลอเรียเรื่องราวของพวกเราได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อโมนิก้ามีความสุขมากที่รับของขวัญพิเศษจากแม่เธอโมนิก้าเร็วลูกเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกนะ แม่ว่าลุกคงอยากอวดเหมือนให้เพื่อนๆดูบนรถบัสสินะเดี๋ยวจะให้พวกเขาดูที่โรงเรียนถ้าเกิดมันหล่อแล้วพังแลคะขอบคุณแม่ค่ะคุณแม่นี่เป็นดิณสถีที่นแน่และสวยงามที่สุดในโลกเลยจ้าจะรีบไปได้แล้วหรือว่าจะให้รถบัสออกไปก่อนละฮะดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ออกมา จะให้พวกเธอดูว้าวนี่ดินสอหรือว่าตุ๊กตามันคือตุ๊กตาดินสอหรือดินสอตุ๊กตาไงฉันไม่เคยเห็นดินสอแบบนี้เลยอะอยากได้บ้างจังอย่าจับสิเดี๋ยวมันก็พงังหรอกมันก็แค่จับดินสอัะไม่พงนะังหรอกเนาะ มนพขึ้ทำอะไรกันเน่ะโมนิกา้าขอโทษค่ะคุณครูหมดคาบแล้วพักได้จ้าทุกคนอย่าลืมกลับมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะโอเคมาเร็วโมนิกา้าเล่นวิ่งเลยจับกันไม่ฉันจะอยู่ห้องดูแลดินสอของฉัน จะมาเร็มาเล่นกันถ้าเธอไม่มาฉันจะเอาดินสอของเธอแล้วพังมันซะกเรีห <c> ย <oughs> ุดพูดแบบนั้นเลยนะฉันก็แค่รอเล่นไปเล่นกันโอครูลืมแว่นไปในห้องเรียนโกเรียไปเอามาให้ครูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคุณครู แถวนี้แหละมาเร็วใช้กันหามีอะไรกันเหรอคุณครูคะดินสอตุกตาของหนูตุกตาดินสออันใหม่ของหนูหนูหามันไม่เจอเธอเก็บมันไว้ไหนล่ะหนูเก็บมันไว้ในกระเป๋าแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แน่ใจนะว่าเธอไม่ไดเอามันออกไปด้วยที่สนามหรือว่าในโรงอาหารหนูมั่นใจคุณครูคะมีคนขโมย โมนิก้าก่อนจะกล่าวหาใครว่าขโมยไปหาดินสอให้ดีก่อนไหมจ๊ะหดี๋จะไปกับเธอเองค่ะครูแล้วหาดูในกระเป๋าของก็เรียก่อนเลยค่ะครูหดี๋เห็นเธอมาหาดินสอคองโมนิก้าตอนที่เธอเข้ามาหาแบนให้ครูเธอว่าไงนะดูซะฉันไม่ได้ขโมยไปเธอกล่าวหาคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงโมนิก้าพวกเขาหาดินสอทุกที่ แต่ก็ไม่เจอดินสอเลยดินสอของหนูถูกขโมยไปจริงๆนะคะครูครูมั่นใจเลยมันแค่หายไปโมนิกา้าถ้าใครเจอดินสอของโมนิกา้านำมาคืนด้วยนะจ๊ะเจนนี่ประทานเข้าเย็นได้แล้วเออเนี่ททำไมร้องไห้ล่ะลูก หนูไม่ใช้คำโวยนะค่ะแม่แม่รู้ชาเจนนี่ไหนบอกแม่สิที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างหนูเอาดินสอของโมนิก้ามาค่ะหลังจากที่พวกเราเล่นเกมในวิชาภาษาอังกฤษหนูเห็นดินสอตกใกล้ๆ ก, กับโต๊ะของเธอหนูก็เลยเอามาันมาซ่อมไว้ในกระเป๋าหนูแค่แกล้งหนูสาบานถ้าอย่างนั้นก็เอาไปคืนเธอซัสิลูกหนูทาไม่ได้ ตอนที่หนูจะเอาไปคืนให้กับเธอเธอบอกว่ามีคนขโมยมันไปพวกเขาบอกว่ากอเรียเป็นคนขโมยหนูกลัวค่ะแม่ใครจะเชื่อหนูถ้าหนูบอกไปว่าแค่อเล่นๆนะพวกเขาทั้งหมดทุกคิดว่าหนูขโมยมันนะ่มันไม่สำคัญหรอกลูกว่าคนอื่นจะคิดยังไงเจนนี่ได้บอกแม่หน่อยสิลูกอยากให้เพื่อนสนิตรู้สึกเศร้าเหรอไม่มีวัน แต่หนูจะทำยังไงดีคะแม่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วบอกทุกคนกับสิ่งที่หนูทำขอโทษและคือดีสอให้กับเพื่อนนะจ๊ะถ้าหนูทำทุกคนต้องหาว่าหนูเป็นขมอยมอนก้ากับกอรเรียต้องเลิกคบกับหนูนั่นคือความเสี่ยงที่ลูกต้องได้รับลูกอยากทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ล่ะ ความจริงมีพลังมากนะเจนนี่ถ้าลูกพูดความจริงกับคนอื่นพวกเขาอาจโกรธลูกบ้างในบางครั้งแต่ในที่สุดพวกเขาจะเริ่มชอบลูกขึ้นมาเองแมคะหนูกลัวแม่ไปโรงเรียนกับหนูได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ได้จ้ะถ้าแม่ไปกับลูกลูกคงไม่มีวันกล้าหาแน่ลูกจะต้องทำมันด้วยตัวเองนะจ๊ะมแม่รักลูกนะเจนนี่แม่จะอยู่ข้างลูกเสมอโอเค โอเคค่ะมีใครเจอดินสอของโมนิก้าบ้างไหมเอเอหนูค่ะคุณครูดินสอของฉันขอบคุณมมกนะเจนนี่ถ้าเจอมันะไม่จะฉันจะจะไม่ไม่ไม่ไม่ไดฉฉ้ฉันเอามันไปอะออ อ <G ül> oh. อะไรนะเมะื่อวานเรียนสาของโมนิก้าตกอยู่ในกระเป๋าตอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษและฉันก็เอามันมาซอดเพราะคิดว่ามันคงตลกที่ได้แกล้งเธอแต่ตอนจะคืนเธอบอกว่าไม่เคยขโมยไปฉันก็เลยกลัวแต่ว่าเธอกลับเงียบตอนฉันน่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยงั้นเหรอ ฉันขอโทษกอรกเรียขอโทษจริงๆนะเธอเปิดกระเป๋าให้คนอื่นดูแล้วทุกคนก็เชื่อเธอแต่ฉันกลัวถ้ามีคนเห็นตุ๊ ก, กตาเดนสอนในกระเป๋าฉันฉันขอโทษจริงๆนะกอเรียเนะจนนี่ฉันจะไม่คุยกับเธออีกแล้วล่ะเจนนี่ขี้ขำมอยพ่อได้แล้วหยุดได้แล้วทุกคนพวกเธอไม่คิดหรือ ว, ว่าเจนนี่ไม่ต้องคือเดอนสอก็ได้นะ แต่ว่าเธอยังทำเธออาจจะโกหกและบอกพวกเราว่าพบดินสอห ล, ล่นจากที่ไหนก็ได้ถูกไหมมันก็ดีที่ได้เห็นความผิดพลาดของคนอื่นแต่มันก็ต้องมีความกล้ามากที่จะยอมรับความผิดพลาดและเจนนี่เลือกที่จะยอมรับเราควรภูมิใจในตัวเธอไหนบอกครูไม่ใช่เจนนี่เหรอที่ใจดีและเป็นเพื่อนกับพวกเธอไม่ใช่เธอเหรอที่ทางานหนักและช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนในห้องมาโดยตลอดเลย ใช่ค่ะคุณครูเจนนี่ใจดีกับเพื่อนๆนเธอนะ่ะใจดีเป็นมิตรแล้วก็ขยันใช่ครับคุณครูเจนนี่ใจดีกับเพื่อนเพื่อนเธอใจดีเป็นมิตรแล้วก็ขยันมาก เ, เลยและโมนิกา้าเธอรักดินสอมากครูเข้าใจแต่เธอตกใจเกินไปหน่อยไหมตอนที่มันหายไปมันใจร้ายไปไมมที่กล่าวหาเพื่อนในห้องขโมยมันไปนะ่ะเดี๋ยขอโทค่ะคุณครู ความผิดหนูเอที่ทําให้เจนนี่กลัวใครๆก็คงกลัวทั้งนั้นแหละเธอถกล่าวหาว่าข้ามมอทั้งที่อยากจะแกล้งเล่นเองฉันขอโทษนะเจนนี่ขอโทษนะทุกๆคนเราขอโทษนะเจนนี่เธอกล้าหันมอกเลยเธอทีนะเจนนี่เฉพาะคนที่กล้าหานเท่านั้นจึงจะกล้าพอยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและพูดความจริงจําไว้นะ ความซื่อสัตย์เป็นทางเลือกที่ถูกต้องเสมอ